ข้อที่36เพราะเหตุนั้นคนพานทั้งหลายอันผู้มีปัญญาพึงทราบว่าเป็นเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้นด้วยว่าคนพานเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการนำทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกชนิดมาให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ทำตามคำของตนบัณฑิตทั้งหลายอันผู้มีปัญญาพึงทราบว่า เป็นเหมือนการคุ้มครองในที่มีภัยเหมือนประทีปในที่มืดและเหมือนการได้ข้าวและน้ําเป็นต้นในเวลาถูกทุกมีความหิวและความกระหายเป็นอาธิครอบงำฉะนั้นเพราะว่าบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการกําจัดทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกชนิดของหมู่ชนผู้ทําตามคําของตนได้ดังนี้แล บุคคลทราบความที่เหล่าคนพาลเป็นเช่นเดียวกับของโสโครกมีปลาเน่าเป็นต้นและเหล่าบัณฑิตเป็นเหมือนเครื่องสำอางมีของหอมเป็นต้นทั้งความที่การครบคนพาลเป็นทุกข์และการครบบัณฑิตเป็นสุขด้วยประการชนนี้แล้วพึงคบเหล่าบัณฑิตเท่านั้นไม่พึงคบเหล่าคนพาลแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสสอนพระชนน์เถระจึงตรัส พระคาถานี้ในบันดิตวักแห่งพระธรรมบทว่า